โลกาเอกมูลกะในสองอยแปดอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลนั้นละการมราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตะบุคคลในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลนั้นละการมราคานุสัยในที่นั้นได้แล้ว และก็ละมานนุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคลลานานลบคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมาราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ บุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแล้วก็ละกามราคานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละทิฐานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนา ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลเหล่านั้นละทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยได้แล้วบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้น ละท si de ิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลเหล่านั้นละทิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้น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 และก็ละกามราคานุสใยได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสใยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสใยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปติบุคคลใดละภวะราคานุสใยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสใยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันตะบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้น ละการมราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตต่บุคคลในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนาสองในกรารมาธาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแล้วก็ละกามราคานุสัย ไ, ไ, ได้แล้ว287ออนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมา น, านุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แลว้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละมานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคล น, น i, mira, it, right? ั oh! <play> i, i, right? ้นก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิขิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิ บุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาต์และในรูปธาต์อะรูปธาต์บุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาต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 บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในทุกเวทนาบุคคลนั้นละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในทุกเวทนาบุคคลนั้นละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันต์บุคคลในเวทนาสองในกรรมท่า White, และในรูปธาตุหรือรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วสองร้อนุ บุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุส lane, ัยในที่ au, นั<ม>้ไ น, นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันต์บุคคลในทุกเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสนัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันต์บุคคลในเวทนาสองในกามธาตุาาบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้ว แต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปประธาตและอรูปประธาตบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแล้วก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตต่บุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาต์ และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นและอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้ว289อนุบุคคลใดละทิฐานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ สองร้อนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นข้ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้น ละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยได้แล้วอะรหันต์บุคคลในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแล้วก็ละภวะราคานุสัยได้แล้ว บุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันต์บุคคลในเวทนาสามในกลามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั entonces, ้นละวิจิกิจานุสัยในที animales, ่นั้นได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่สองรออนุ บุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลดใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคล น, น, นั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วเอกะมูลกะในจบทุกกะโมลกะในสออยเก้อนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหม วิไม่มีปฏิบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันต์บุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั Wet ้นละมานานุส yes. ัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ บุคคลนั้นละมานานุสัยและกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละกมมารมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในท yours, mm. ี่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กมมารมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามท่าบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้ว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 ละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้ว บ ing, trim, Iraq, ุคคลนั้นละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วบ um ุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตะบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยและกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้ว แต่ปฏิคานุ ส, สัสยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุ ส, สัยและปฏิคานุ ส, สัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุ ส, สัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วทุกก ะ, กะมูลกะในจบเติกกะมูลกะในสองสส อ, อนุบุคคลใดละกรมราคานุ ส, สัยปฏิคานุ ส, สัย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 อรหันตบุคคลในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้ว หรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลใดละภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละก online, มามราคาน yah, meter, はは lad, ุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสยัยปฏิคานุสยัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอรหันตต่บุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสยัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสยัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาตาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แลว้วเตึกกะมูลกะในจบจะตุ ก, กะมูลกะในสองร้อยเอ น, นุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้ว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 ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วการมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอรหรันต์บุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัย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 บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กรมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วสองรอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหม วิไม่มีปฏิบุคคลได้ละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยทิฏฐานุใสและวิจิกิจชานุสัยแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุ บุคคลใดละกามาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสและวิจิกิจชานุใสในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุใสในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุใสในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสและวิจิกิจชานุใสในที่นั้นได้แล้วใช่ไหม วิอารหันตบุคคลในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรามาธาตุบุคคลนั้นและอวิชานุสัยการมาราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย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 296อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุใสและภาวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใส วิจิกิจานุสัยและภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิอระหันตบุคคลในรูปะธาตุและอรูปะธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามทธา บุคคลนั้นละอวิชานุสัยปามาราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิชานุสัยในที่นั้นได้แล้ว แต่การมาราคานุสัสมานานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วชากมโลกะในจบอนุโลมในปหินวาระจบ หีนาวาระปฏิโลมบุ uh. ค uh. คลเอกะมูลกะในสองอยเก้อนุบ네ุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลได้ละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วอนุ บุคคลใดละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุทุชนละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิธิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละวิชิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ oui ใช่อนุบุคคลใดละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอาวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอาวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละอาวิชานุสัยไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วสองอบนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ยังละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละมานานุใสยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ อนาคามีบุคคลละมานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละมานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลผู้เป็นผุ้ตุชนละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วบุคคนนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ an ล, ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วสองร้ออนุบุคคลใดละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกละมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุทุชนละมานอนุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละมานานุัยไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยอวิชามุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่สามร้อยอนุบุคคลใดละทิฐานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้ว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 แต่ไม่ใช่ละวิจิจชิชนุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิจิจิชนุสัยไม่ได้แล้วสามร้อยสองอนุบุคคลได้ละภวะราคานุสัยไม่ไ huh. ด้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลได้ละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ เอกามูลกะในจบทุกามูลกะในสอยอนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละมานุสัยไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละมานานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนและการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละภาวราคานุสัยอาวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิธนาคามีบุคคลละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละอวิชานุสัยไม่ได้แล้ว แล้วละการมราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วทุกกะมูลกะในจบเตกกะมูลกะในสามอนุบุคคลใดละการมราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละการมราคานุสัยปฏิคานุสัย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 บุคคลใดละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวราคานุสัยอวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุัสและมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลและอวิชานุสัยและมานานุัยไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏจจคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยปัจจคานุสัยและมานานุสัยไม่ได้แล้วเดกกะมูลกะในจบเจตุกระมูลกะในสามร้อยห้าอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปัจจคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปัญจกรกมุลกะในสามอกนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุใสไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุใสยอวิชฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชฉานุัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสยัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละอวิชฉานุสัยและมานานุสัยไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปติคานุใสทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสองจำพวกและอวิชานุใสกามราคานุสัยปติคานุใสและมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละกามราคานุใสปติคานุใสมานานุสัย ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปัญจกะมูลกะในจบฉากกะมูลกะในสยเจ็จกกนอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลได้ละอวิชานุสัยไม่ได้แล e ้วบ e ุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลและอวิชานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้ว บุคคลสองจำพวกและอวิชานุสัยกรมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ได้แล <int> grandpa, akers, ้วแต่ไม่ใช่ละทิธานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละกรมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิธานุสัยวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ได้แล้ว ชาคะมละกะในจบ